พระบูฮยลแอบตั้งข้อสังเกตว่าบรรด า, าศิทธิานุสิ์ที่มาปรึกษาปัญหาธรรมะกับท่านพระครูนั้นส่วนใหญ่มักเป็นคนจีนข้างฝ่ายคนไทยกลับมีน้อยคนที่จะสนใจธรรมะและเมื่อมาวัดก็จะแบกปัญหาหนักอ ก, อกมาให้ท่านพระครูช่วยแก้หลังจากนั้นก็จะหายหน้าหายตาไปต่อเมื่อต้องการให้ท่านช่วยอีกจึงจะมาให้เห็นอีก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 ได้โทรเลขด่วนมาขอเลื่อนท่านจึงไม่ต้องไปไหนฉันเช้าแล้วพระบูฮหียวจึงถือโอกาสมาเรียนปรึกษาปัญหาธรรมะกับผู้เป็นอาจารย์จะให้ท่านสอบอารมณ์ให้ด้วยลุงพอครับผมถูกทีนามิทันนิวอนคุกคามอย่างหนักเลยครับมันง่งเหาหาวนอนตลอดเวลาเดินจงกรมก่อง่วงปฏิบัติตามวิธีขจัดความง่วงอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนาก็ไม่หายง่วง ผมก็เลยต้งนอนเพราะคิดว่าคงจะหายแล้วหายไม่ละ่ะพระอุปชาถามไม่หายครับแถมยังนอนไม่หลับด้วยง่วงเหมือนจะเป็นจะตายแต่พอนอนกลับไม่หลับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นครับนั่นเป็นอาการของยานนะบเหี boh ่ยวไม่ใช่ธีนะมิทัสนิวรนแต่ประการใดไม่ความว่าอย่างไรครับ ลูกศิษย์ไม่เข้าใจหมายความว่าอาการที่เธอเล่ามานั้นเป็นอาการของผู้ที่เข้าถึงนิพพทายานซึ่งเป็นยานที่แปดงั้นผมก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วสิครับพระบูเหียวพูดอย่างยินดีถูกแล้วแต่อย่าเพิ่งดีใจ มีคนเขาได้ยานี้ก่อนเธอมาหลายคนแล้วไม่ใช่เธอเป็นคนแรกที่ได้หรอกนะคนที่ได้รายล่าสุดก็คือลูกชายของคหฮะบอดีดูเหมือนจะเป็นคนที่ชื่อนายต้อมงั้นก็แปลว่ะผมไปช้ากว่าลูกศิษย์หรือครับก็คงอย่างงั้นแต่ช้าของเธอน่ะ ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าสโลบัตชั่วเข้าใจหรือเปล่าผมไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งครับลุงพ่อได้โปรดอธิบายให้คนต่าต้อยดอยปัญญาอย่างผมฟังหน่อยเถอะครับทอมตัวเลึกเกินนะวันนี้วันอะไรเนาะพระบัวเหี่ยวถึงได้สงบเสงี่ยมเจียมตัวอย่างนี้อาจารย์สัพยอคนเป็นสิทธ คงไม่ใช่วันพระแน่ครับสิทธิ์ตอบฉับพลันรู้แล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงได้ถ่อมตัวมากมายนะักวันอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่นาก็วันนี้ผมอยากได้วิชานะครับส่วนวันอื่นไม่อยากได้พระบูเฮียวถือโอกาสยวนเธออยากได้วิชาอะไรละ่ะ พระอุปชาย้อนถามวิชาขจัดความง่วงที่เกิดจากนิพพิทายานนะครับเอาเถอะจะบอกให้เอาบุญแล้วท่านจึงบอกวิธีปฏิบัติตนเมื่อเข้าถึงนิพพิทายานแก่พระโบเหียวแบบเดียวกับที่เคยบอกในต้อมพระหนุ่มกล่าวคำขอบคุณและถามอีกว่าแล้วที่ลุงพอพูดภาษาต่างประเทศเมือตะกี้ สียงโลโลชัวๆนะครับไมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเธอเข้าถึงยานที่แปดช้ากว่าในต้อมก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะบรรลุยาณ16หทีหลังเขาฉันมองหน้าเธอก็รู้ว่าหน้าอย่างเธอถึงจะไม่ฉลาดสักเท่าไหร่แต่ก็แน่ใจได้ว่า เธอต้องบรรลุโสดาปฏิผลเป็นอย่างต่ำนี่พูดถึงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะท่านอธิบายแล้วในต่ำล่ะครับในเมื่อเขาได้ยานแดก่อนผมก็น่าจะได้ยานส6บกก่อนผมด้วยถูกไหมครับมันไม่เสมอไปหรอกบัวเหี่ยวฤหัสที่เข้ามาปฏิบัติมีสิทธิ์ได้ถึงยานแปดยานเก้า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 ก็ช่วยให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างคล่องตัวมีข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวิธีชีวิตแบบชาวบ้านจึงได้เปรียบขรือหัดในแง่นี้ท่านพระครูอธิบายโดยไม่เกี่ยงงอนภูมิปัญญาของผู้ถามชายวัยสี่สิบเศษคลานเข้ามาหาท่านพระครูตามด้วยเด็กหนุ่มอายุประมาณยี่สิบ คนทั้งสองกราบท่านพระครูแล้วคนอายุมากกว่าก็พูดขึ้นว่าไม่ได้มาหาหลวงพี่เส น, นานหลวงพี่สบายดีหรือครับก็เอ็งเห็นข้าสบายหรือเปล่าละ่ะท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามชายคนนี้เป็นลูกพี่น้องของท่า น, านคเคยวิ่งเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กส่วนเด็กหนุ่มที่มาด้วยก็มีศัก์เป็นหลานท่าน แม่หลุงลุงก็พ่อก็ า, ามดีๆหลวงลุงกลับตอบเล่นลินหลานชายต่อว่าพลางค้อนประหลับประเลอกนี่เองอย่ามาทำกริยาอย่างนี้ใส่ข้าดนะเจ้าขุนทองเองไม่ใช่ผู้หญิงนะท่านพระครูว่าเมื่อเห็นท่าทางกระตุง้งกระติ้งของอีกฝ่ายรูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็ไม่เกี่ยวกับหลุงลุงหรอกนะ เจ่าขุนทองพูดลอยหน้าลอยตาพร้อมทําท่าค้อนควักท่านพระครูนึกสงสัยจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้ทราบว่าหลานชายของท่านมีจิตใจเป็นผู้หญิงไปเสแล้วไม่น่าเลยตอนเกิดท่านก็เห็นมันเป็นผู้ชายแท้ๆไปไปมาาไงเป็นผู้หญิงไปเสได้โทษเอ้ยอนิจจังทุกขังอนัตตา พระโบเฮียกกำลังคุยกับพระอุปชาอยู่ดีๆเมื่อมีผู้อื่นมาขัดคอเช่นนี้ก็เกิดปฏิฆะอย่างอ่อนๆขึ้นครั้นฉุก ค, คิดได้ว่าบุรุษทั้งสองคงจะเป็นญาติกับท่านพระครูจึงพยายามข่มความงุดหงิดขัดเคืองนั้นไว้พูดเอาบุญเอาคุณว่ายมโฉคดีนะที่มาพบหลวงพ่อความจริงวันนี้ท่านต้องไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพ หรือครับแล้วทำไมไม่ไปล่ะครับนายําถามก่อททางโน้นเขาโทรเล็กโดนมาขอเลื่อนอาตมาก็เลยปล่อยโชคดีไปด้วยเพราะหมูนี้หาเวลาคุยกับท่านยากยิ่งวันพระด้วยแล้วหมดสิทธ์เลยเพราะแขกเรือมากันแน่นกุติโอ้โหเดี๋ยวนี้หลวงพี่ขายดีถึงขนาดนี้เจรือครับคนมีศักเป็นน้องชายว่า เอ็งลองมาเป็นข้ามั่งแล้วจะรู้ว่าแต่ว่าที่มานี่มีอะไรจะให้ขาาช่วยละ่ะท่านถามเพราะหากไม่ต้องการความช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็จะไม่มาให้เห็นหน้านายขุนทองจ้องหน้าท่านพระครูแล้วถามว่าหลวงลุงใส่เว้นตา ม, มาตั้งแต่เมื่อไรหร่ฮะไม่ถามเปล่า แต่ยังแถมด้วยฮะเป็นคําลงท้ายตอนแรกก็พยายามจะปิดหลงลุงเพราะกลัวจะถูกว่าเมื่อท่านไม่ว่าเขาก็จะพูดอย่างที่เคยพูดสิบปีเข้าหนี้แล้วเอ็งถามทำไมเปล่าหรอกค่ะก็หลงลุงดูแปลกไปคือใส่แว่นแล้วหล่อขึ้นนะฮะหลอกกว่าไม่ได้ใส่วัดแต่ว่าสั้นหรือยาวฮะ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 จริงตอบไปว่าผมนะ่ะไม่มีหรอกครับหลวงพี่แต่ที่ต้องมากก็เพราะธุระของเจ้าขุนทองมันนั่นแหละมันกำลังจะเกณฑ์ทหารจะขอหลวงพี่ช่วยไม่ให้มันถูกทหาร ส, สงสารมันนี่เผลอเดียวเดียวเอ็งอายุยี่สิบเอ็ดแล้วหรือขุนทองข้ายังเห็นเอง็งวิ่งเล่นอยู่ไม่กี่วันนี่เองจะเกณฑ์ทหารแล้วหรือนี่ ใช่สิฮาเดี๋ยวนี้หนูเป็นสาวแล้วนะหลงลุ ง, ลงนายขุนทองว่าป น, นุม่มว้ยเจ้าขุนทองเอ็งเป็นผู้ชายนะคนเป็นพ่อรีบกล่าวแก้กลุ้มใจอยู่เหมือนกันที่เลี้ยงลูกชายให้กลายเป็นลูกสาวเออนะมันอยากจะเป็นสาวก็ช่างหัวมันท่านพระครูปรามในขำ แล้วหันมาปรามนายขุนทองว่าแต่เอ็งก็ให้มันน้อยๆหน่อยเจ้าขุนทองอย่าให้มันมากเกินไปเอาก็ไหนเอ็งว่าเอ็งเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงต้องถูกเกณฑ์ทหารละ่ะนายขุนทองคิดหาคำตอบอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงพูดว่านั่นสิฮอเขาว่าเขาเอาตามสมนโครัวหลงหลุงช่วยหนูด้วยนะฮอ ขืนหนูถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารคงถูกพวกมันลงแขกทั้งกองทัพหนุ่มน้อยปริวิตกฟังพูดเข้าแนยังกะเองสวยนักนี่หลวงลุงค่อนก็สวยกว่าหลว ง, ล, งลุงละกันนายขุนทองเทียงเอาเถอะเอาเถอะข้ายกให้ท่านพระครูยอมแพ้นายขำทำหน้าเหนื่อยหน่าย ปรับทุกกับท่านต่อหน้าลูกชายว่าไม่รู้เห็นกรรมอะไรของผมนะหลวงพี่มีลูกก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาผมทํากรรมอะไรไว้ครอบหลวงพี่ช่วยดูให้หน่อยเถอะอิองจะเดือดร้อนไปทําไมละ่ะคําเอ้ยก็ตัวเจ้าขุนทองเองมันยังไม่เดือดร้อนนี่นะใช่ไหมขุนทองท่านถามหลานชายที่กลายเป็นหลานสาว ดอ น, นสิฮอจะกลุ้มใจไปใหญ่ละ่ะคะคุณพ่อนายคุนทองล้อเรียนบิดาแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามท่านเจ้าของกุฏิว่าลงลุงฮะ ห, หนูทำกรรมอะไรไว้ฮะถึงได้เกิดเป็นกระเทยใจจริงแล้วหนูอยากเกิดเป็นผู้หญิงทำไมมันถึงไม่ได้อย่างที่อยากล่ะคะเอ็งอยากรู้จริงๆหรืออยากฮะ อยากให้พ่อแก้วรู้ด้วยจะได้เลิกบ่นนูซิทีเอาละเมื่ออยากรู้ก็จะบอกบัวเหียวเธอฟังด้วยนะฟังแล้วก็จําไว้ด้วยวันหน้าวันหลังหากมีใครเขาถามจะได้บอกเขาได้ครับลุงเพาะผมกำลังตั้งใจฟังอยู่ครับแม้วันหน้าวันหลังจะไม่มีใครมาถามผมก็จะฟัง แล้วก็จะจำใส่สมองเอาไว้นิมนต์ลุงพ่อพูดต่อเถิดครับพูดพร้อมกับประนมมือนิมนต์แม้ลุงพี่พูดถูกอกถูกใจคุณทองจริงๆนายคุณทองทำเสียงกริ๊ดกราดรู้สึกถูกชะตากับลุงพี่องค์นี้เสียเละเกินท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์ทีหนึ่งมองหน้าหลานชายทีหนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่า ที่เจ้าคุณทองต้องเป็นอย่างนี้เพราะกรรมเก่าเมื่อชาติที่แล้วเป็นคนเจ้าชู้ผิดศีลข้อสาเป็นอาจินผลของการประพฤติเช่นนั้นทำให้ต้องมาเป็นอย่างนี้และถ้าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกหกชาติ ยังพอแก้ไขได้หรือครับหลวงพี่นายคำถามขึ้นก็พอมีทางอยู่แต่สงสัยเจ้าขุนทองคงทำไม่ได้หลวงลุงจะให้หนูทำอะไรละ่ะฮะคนมีกรรมเก่าถามให้เองมาเข้ากรรมฐานนะสิได้ยินดังนั้นนายขุนทองก็ร้องเสียงหลง วาแต่ทีนุกคเมนตีลังกาหลุงๆุงจะให้อีคุนทองมาเข้ากรรมฐานนั่นไงแค่นี้ก็โวยแล้วตามใจเองก็แล้วกันอยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ตามใจเองท่านพระครูพูดอย่างปลงสังเวชถ้าอย่างนั้นหลวงพี่ช่วยมันแค่ไม่ให้ถูกทหารก็พอมีคนเขาแนะนำมาเหมือนกันแต่มันไม่เชื่อ ขยันขยอให้ผมพามาหาหลวงพี่เขาแนะนําว่ายังไงละ่ะนายคุณทองขยิบหูขยิบตาใส่บิดาเป็นเชิงไม่ให้บอกนายขำไม่ฟังเสียงบอกท่านไปว่าเขาแนะนําให้เอามดตะหน่อยมาต่อยลูกอันทะครับหลวงพี่พอมันบวมจะได้บอกเขาว่าเป็นไส้เลื่อนท่านพระครูกับพระโบเฮียวรู้สึกขํา หากนายขุนทองทำท่ากระฟัดกระเฟียดนายขำพูดต่ออีกว่าเจ้าขุนทองมันไม่ยอมทำตามก็เลยต้องมากวนหลวงพี่นายขำเล่าจบท่านพระครูจึงตัดสินว่าดีแล้วไม่ทำตามนะดีแล้วจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมเพิ่มขึ้นอีกเรื่องอะไรไปหลอกลวงเขาอย่า ง, ง น, นั้นนี่ มีตัวอย่างมาแล้วคนหน้าวัดนี่เองทำแบบเดียวกับที่เองว่ามานี่แหละแต่ขอโทษเธออยู่มาไม่นานเกิดเป็นไส้เลื่อนจริงๆเพราะกรรมที่ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นหลอกใครไม่หลอกไปหลอกหลวงทีนี้กรรมเลยตามทันหลอกหลวงนี่ บาปหนักกว่าหลอกราดนะแล้วเป็นยังไงครับหลวงพี่ในคำถามอีกจะยังไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ยังไม่หายนอกจากไม่หายแล้วยังกลายเป็นมะเร็งเสีอีกเป็นตรงไหนละฮะหลุงลุงเป็นตรงไหนนายกุณทองถามอย่างสนใจ พร้อมกันนั้นก็ทำท่าเอียงอายไปด้วยกอตรงนั้นแหละอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ตายเห็นเขาว่าเน่าเลยไอ้ตรงที่เคยเอมตตะหน่อยต่อยนะ่ะเน่าเฟะเลยนี่ญาติเขาเอามาเผาที่วัดนี้ดีแล้วขุนทองที่เองไม่ยอมทำตามอย่างเขาไม่อย่างนั้น ก็อาจจะเน่าเหมือนกันว้ายลุงลุงอย่าพูดเสียวเสียวนายคุณทองส่งเสียงวิทย์ว้พลางยกมือทั้งสองขึ้นปิดหูตกลงหลวงพี่ช่วยมันด้วยนะครับนายขำสรุปก็ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรล่ะฮะหลวงลุ ง, ลงไงๆก็อย่าให้หนูมาเข้ากรรมาฐานแล้วกัน ได้ไหมฮะเออได้ก็ได้แต่เอ็งต้องมาอยู่กับข้าที่กุฏินี้จะได้ช่วยรับแขกหาน้ําหาท่าให้เขาเดืม่มท่านยื่ยนข้อเสนอบางทีการได้มาอยู่ใกล้ชิดท่านอาจจะทําให้กรรมของนายขุนทองเบาบางลงบ้างท่านคิดว่าจะพยายามช่วยเขา ถึงยากอย่างไรก็จะพยายามเงินก็ตกลงห่อดีแล้วหนูจะได้ไม่ถูกพ่อกับแม่บน่นแล้วยังจะได้รู้จักคนเยอะๆด้วยเดี๋ยวหนูกลับไปเอาเสื้อผ้าเลยนะพ่อนะยังก่อนยังก่อนเอาไว้ให้พ้นฤดูเกณฑหารไปก่อนค่อยมายังอีกตั้งสองเดือนแนะ่นายคำบอกลูกหากท่านพระครูไม่เห็นด้วย ก็ให้มาเสิตอนนี้นี่แหละข้ากำลังอยากได้คนช่วยงานให้มันอยู่ใกล้ๆข้าบางทีมันอาจจะอยากเป็นผู้ชายขึ้นมาบ้างไม่มีทางไม่มีทางจ้างให้หนูก็ไม่ยอมเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวนะไม่ว่าเพราะไม่มีพ่อกับแม่คอยขัดคอนายขุนทองลอยหน้าลอยตาพูด ถ้ามันจะไม่ดีแล้วละมั่งหลุกพี่เดี๋ยวก็ได้ไปกันใหญ่ให้มันอยู่กับผมอย่างเก่าดีกว่ายังไงยังไงก็ยังอยู่ในสายตามัง่งในคำพูดอย่างมิตกไม่ต้องห่วงหรอกคำเอ้ยเชื่อข้าเถอะข้าคิดว่าพ่อจะช่วยมันได้คงไม่เหลือบ่า ก, กว่างข้ารอกหนาอย่างไรเสีย ก็ยังดีกว่าอยู่กับเองข้อนี้ข้าขอรับรองงั้นก็ตามใจหลวงพี่ก็แล้วกันบางทีมันอาจจะดีขึ้นอย่างที่หลวงพี่ว่าก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถือว่าเป็นโชคดีของมันแต่ถ้ามีดีขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของมันนายคำพูดอย่างปลงอ น, นิจจงดีแล้ว เองคิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้ไม่เป็นทุกข์คิดเสียว่าใครๆก็ต้องมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพื่อมารับผลของกรรมผลนั้นจะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ทําไว้เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว หมายความว่าคนที่ทำกรรมดีก็ต้องเกิดอีกทำกรรมชั่วก็ต้องเกิดอีกอย่างนั้นหรือครับหลวงพี่ในคำถามถูกแล้วถ้ายังนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดอีกละครับเพราะทำกรรมดีก็ยังต้องเกิดกรรมที่ทำให้ไม่ต้องเกิดนั้นเขาเรียกว่ากรรมไม่ดำ ไม่ขาวกำดําคือกรำชั่วกรำขาวคือกรำดีฉะนั้นกรมไม่ดําไม่ขาวก็คือกรำที่ไม่เป็นทั้งกรำชั่วและกรำดีจะพูดว่าเป็นกรำกลางๆก็ได้แล้วกรัมทีวานี่ต้องทําอย่างไรบ้างครับพระโบเูฮยวถามบ้าง ต้องปฏิบัติอริยมรตมีองค์แปดที่เธอเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดอิริยาบถตลอดเวลานั้นก็คือการปฏิบัติอริยมรตมีองค์แปดนั่นเองเพราะการปฏิบัติดังกล่าวมันคลุมองค์มรตครบทั้ง8ดข้อตั้งแต่สมาธิทิไปจนถึง สัมมาส ม, มาธิแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่มีครบทั้งศีลส ม, มาธิและปัญญาเลยทีเดียวแม้หลวงพี่ยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงเห็นจะต้องลากลับเสียทีนายขำพูดขึ้นเพราะไม่เคยสนใจ เ, เรื่องอย่างนี้กลับกันเถอะคุณทองไปเอาเสื้อผ้าก่อนพรุ่งนี้ค่อยมา ชายวัยสี่สิบเศษบอกลูกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ข้าจะให้สมชายไปรับเจ้าคุณทองก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาทำงานเองท่านพระครูเอื้อเฟือขอบคุณหลวงพี่มากครับไงๆผมก็ฝากลูกด้วยนึกว่าเวทนามันที่เกิดมาไม่ค่อยเต็มบาดเต็มเต่ง เ, เหมือนคนอื่นเขา สองพ่อลูกกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วหันไปกราบพระบูเหียวต้องขอโทษลงพี่ด้วยนะครับที่มาขัดคอผมฝากเจ้าคุณทองมันด้วยน่ายขำกล่าวคาขอโทษพระบูเหียวแล้วเลยถือโอกาสฝากฝังลูกไม่ต้องห่วงรกยมอาตมาจะช่วยดูแลให้พระบูเหียวตอบรู้สึกประทับใจในความรักและห่วงใย ที่บิดามีต่อบุตรพรุ่งนี้พบกันนะฮอหลวงพี่บายบายในขุนทองทําตาหวานหยาดเยิ้มใส่พระโบเฮียวแล้วจึงลุกตามบิดาออกไปท่านพระครูสายหน้าช้าๆพูดกับพระโบเฮียวว่านี่ก็กรรมเห็นไหมบัวเหียวใครๆก็มีกรรมเป็นของตนกันทั้งนั้น แต่ลุงพอครับลุงพอเคยบอกว่าคนที่พิสินขอาการเมสุมิชาจา์ถ้ามีเมียเมียจะมีชู้ถ้ามีสามีสามีก็จะไปมีเมียน้อยแต่ทำไมรายของนายขุนทองจึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับเรื่องของกรรมมันละเอียดลึกซึ้งนะบัวเหี่ยวฉันไม่สามารถอธิบายให้เธอฟังได้ทั้งหมดหรอกถ้าเธออยากรู้ ก็ต้องเร่งปฏิบัติเมื่อใดที่เธอรู้เองเห็นเองได้เมื่อนั้นเธอก็จะหายสงสัยครับยังไม่ทันที่พระโบเหี่ยวจะพูดอะไรต่อไปนายขุนทองก็คลานเข้ามากราบแล้วพูดขึ้นว่าหนูลืมขอบคุณหลวงลุงนะฮะก็เลยต้องกลับมาขอบคุณก่อนหนูต้องขอขอบพระคุณหลวงลุงเป็นอย่างสูงที่กรุณาช่วยเหลือ น, นู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 หันกลับมาสนองว่านัสิฮอร์ู่นี้รอบเดินของหนูมันมาไม่ค่อยจะตรงตามกําหนดน้อยน้อยหน่อยเจ้าคุณทองมันอย่างงี้นะสิพ่อแม่เองเขาถึงกลุ้มอกกลุ้มใจนักหนานี่ข้าก็กำลังจะกลุ้มอีกคนแล้วนะช่วยไม่ได้ลุงลุงชวนหนูมาอยู่เองก็ต้องรับกรรมไปตามหน้าที่จริงไมหมฮอร ท่านพระครูไม่ตอบต่เมื่อหลานชายพ้นสายตาไปแล้วจึงพูดขึ้นว่าสงสัยจะกูไม่กลับเซลล์ ม, มั้งหรือเธอว่ายังไงบวเหี่ยวผมคงไม่ว่ยังไงหรอกครับที่ไม่ว่าเพราะไม่รู้จะว่ายังไงหรือหลวงพ่อว่าหรือว่าลุงพ่อจะให้ผมว่ายังไงก็กรุณาบอกมาเถอะครับไม่ต้องเกรงใจพอแล้ว บัวเหี่ยวพอขืนเธอพูดให้มากกว่านี้ฉันคงเวียนหัวแย่เอาละมีข้อสงสัยอะไรก็ว่ามา